พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28สิงหาคม2554มีชื่อเรื่องว่าเวียนไาวตายเกิดคิดดีพูดดีชีวีเป็นสุขวันนี้เป็นวัน ทำบุญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวขอให้พวกเราคณะสต่ายาตยมทุกท่านที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราก็เคยทํามาอย่างวันนี้แหละแต่ท่านได้ล่วงรับดับขันไปแต่วิญญาณของแต่ละท่านในหลักของพระพุทธศาสนาทัานว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกได้ใช้กรรมของตัวเองถ้าใครได้ทํากรรมดีไว้ก็ได้ทำใช้ ในทางที่ดีถ้าทํากรรมไม่ดีไว้กรรมชั่วจะตามสนองแต่ทุกคนที่เกิดมาในโลกจะทําแต่กรรมดีอย่างเดียวไม่ได้จะต้องทํากรรมชั่วแต่จะมากจะน้อยต่างกันเท่านั้นเองเพราะว่าการทํากรรมทําได้สมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมคือการกระทําคิดไปในทางที่ไม่ดีเรียกว่ามโนกรรมทําไปในทางที่ไม่ดีเรียกว่ากายกรรมพูดในทางที่ไม่ดีเรียกว่า วจีกรรมเพราะการกระทําของเราเราจะพูดดีตลอดทําดีตลอดคิดดีตลอดทั้งวี่ทั้งวันก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะพวกเราเป็นปุตชนอย่างไหนหนาแน่นไปด้วยกิเลสโลภโกรดหลงบางทีมันก็โลภอยากจะได้ของเขาบางทีก็คิดพยาบาทบองร้ายเขาบางทีก็เห็นผิดจากทํานองครองธรรมอันนี้เปลว่ามโนกรรมเมื่อมโนกรรม คิดไปในทางที่ไม่ดีบางครั้งก็ยับยั้งไม่อยู่พวกเราอาจจะทํากรรมทางกายออกมาและก็พูดทางวาจาออกมาได้ เ, เพราะฉะนั้นผลผลที่ตามสนองอดวงวิญญาณวิจใจดวงนั้นถ้ า, าว่าผ่านพ้นจากภพนี้ชาตินี้ไปอาจจะไปตกทุกข์ในยากอยู่ก็ได้เพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพวกเราที่อยู่เบื้องหลังได้พบพระพุทธศาสนาได้ทําบุญ พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เคยทําบุญอย่างพวกเราท่านทั้งหลายดวงวิญญาณของท่านอาจจะตกทุกข์แต่ยากเหมือนกับไปเข้าคุกเข้าตารางมาก่อนฮะพอตายไปแล้วก็อาจจะไปตกนรกพอพลจากนรกมาก็คงจะมาคิดถึงลูกคิดถึงหลานเออลูกหลานได้ทําบุญให้ข้าเรือปล่าวนอเมื่อข้าตะก่อนข้าก็เคยทําบุญวันข้าวประดับดินเข้าฉาบเราก็เคยทําบุญอุทิศให้พ่อแม่ปู่ย่าตายาย แต่วันนี้ลูกหลานทำบุญอุทิศให้เราหรือเปล่าเนะี่ยอันนี้ก็ดวงวิญญาณของท่านอาจจะมาคอยลูกหลานอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกเอาไว้ว่าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่าน ดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าไม่ใช่ว่าพ่อแม่ตายไปแล้วก็แล้วไปท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าร่างกายของเราทุกส่วนได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่ แบ่งปันมรดกให้แกเราเพราะนั้นมรดกชิ้นนี้ยังมีอยู่พวกเรากควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านส่งบุญกุศลให้ท่านแต่ถึงอย่างไรถ้ามาเปรียบเทียบอีกส่วนหนึ่งพวกเรามาตด้บพบพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลให้พวกเราทำไว้ดีกว่าดีกว่าที่เมื่อตายไปแล้วลูกหลานทาให้ทีหลัง บางทีลูกหลานเชื่อบางไม่เชื่อบางแต่ทำผิดๆิดถูกถูกบังบุญกุศลก็ตกตกหล่นหล่นเพราะนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราควรจะทำเอาเองไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราควรจะทำสิ่งนั้นสิ่งไหนที่มันจะช่วยชาติเสียหายประเทศชาติบ้านเมืองช่วชยชาเสียหายต่อวงสกุลต่อตัวเองอย่าไปทา ถ้าทำไปแล้วจะเดือดร้อนตัวเองเมื่อภายหลังอย่างที่ในหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่วเมื่อตายไปแล้วกรรมชั่วก็จะให้ผลกับพวกเราเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เดีพบพระพุทธศาสนาพวกเราควรจะทําคุณงามความดีให้พวกเราสังเกตดูมนุษย์ของเราเกิดมาทําไมไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน ดูหน้าตาก็เหมือนกันแต่ว่ากรรมจำแนกให้พวกเราแตกแตกต่างกันแต่เหมือนกันร่างกายแต่ดูแลไม่เหมือนกันไม่ต้องพูดถึงทางด้านจิตใจจิตใจของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนะก็แตกแตกต่างกันอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือกรรมจำแนกเพรานั้นหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่ากรรมมูนินาวัตตีโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้ เมื่อเราได้กระทำกรรมดีกรรมดียนแล้วจะตามสนองไปในทางที่ดีถ้าว่าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะพาไปในทางทุกขติพอเหตุนั้นพวกเราได้รู้ได้ศึกษาได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรประกอบแต่คุณงามความดีตายแล้วไม่สูญอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ไปค้นคว้าศึกษามาแล้ว วันตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพโพธิญาณพระพุทธเจ้าบอกชัดเจนเลยว่าปุเพในวาสานุสติญาณละลึกชาติผลหลังได้แต่ถ้าบอกพระพุทธเจ้าเกิดมาชาติเดียวพระพุทธเจ้าคงละลึกชาติที่แล้วไม่ได้เหมือนกับเราเกิดมาวันนี้วันเดียวเราจะระลึกถึงเมื่อวานนี้ได้อย่างไรเพราะไม่มีเมื่อวานนี่พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพโพธิญาณและท่านละลึกชาติผลหลังได้ เป็นร้อยๆพันๆหมืนม่ น, นๆแสนๆสนชาติแต่ละชาตินี่ทำกรรมอันไหนไว้จึงมาเสวยกรรมอย่างนี้ถ้าใครทำกรรมิึงนั้นไว้ทำไมจึงมาได้รับอย่างนี้ท่านยกตัวอย่างให้เห็นชัดก็ยิงอย่างพโมกขาลาท่านได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของท่านในอดีตชาติพอมาชาตินี้กับโจรได้ฆ่าท่านท่านก็เลยมรณภาพเพราะน้ามือของโจรคนทั้งหลายก็โผลนา ว่าเอ๊ะทำไมพระโมกขราเป็นคนดีเป็นอัครสาวกข้างซ้ายพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มีเดชอีกต่างหากมีแต่สั่งสอนแนะนําไปในทางที่ดีคนทั้งหลายรักเคารพนับถือแต่ทําไมามาถูกโยนฆ่านคนทั้งหลายก็พูดไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระโมกขลาสมควรตายเพราะกรรมในอดีตของของท่านเองเพราะท่านเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ในอดีตชาติเพราะนั้น ใครจะหนีกรรมไม่ได้ท่านจงได้รับกรรมที่ตนได้กระทำไว้นี่แหละอันนี้พระพุทธเจ้ารู้ทางไปทางมาของแต่ละวิญญาณแต่ละคู่แต่ละคนเพราะนั้นพวกเราได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำอย่าคิดอย่าพูดในทำแต่สิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีพวกเราจะมีแต่ความผาสุก รมเย็นเป็นสุขอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความสุขความเจริญแต่บวกเราคิดในทางไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีแล้วมีแต่ความหายยะที่จะมาสู่พวกเราวันนี้หลวงพ่อได้ชี้นำแนะแนวให้แก่พวกเราทั้งทั้งหลายเพื่อได้ฟังได้ศึกษาตอนน่อไปพวกเราทั้งหลายรับพร อ, อนุโมทนาให้พร วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งนะคณับนัทธายญาติโยมลูกหลานวัดของพวกเราทูลกระหม่อมฟ้าหญิงท่านได้มาพักแรมแล้วก็ได้มาร่วมทําบุญตักบาตรทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับพวกเราท่านเป็นประธานตักบาตรวันนี้พวกลูกหลานทั้งหลายที่มาพบมาเจอหาได้ยากนี่แหละสมมติเทพ สมมติเทพก็เป็นเทพยุนในเมืองมนุษย์แต่เป็นผู้สูงส่งด้วยบุญวาสนาบา ร, รมีขององค์ท่านนะพวกเราทุกๆ ท, ท่านประสบนิกรที่มาอยู่ใกล้ก็เป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ถ้าว่า เรามีพบมีชาติต่อไปภายภาคหน้าบุญกุศลนะ่ลจะเกื้อกูลหนุนพวกเราไปสู่สุกคตนะิถ้าว่าพวกเราทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วความชั่วนะจะพาไปสู่ทุกขตินะรับพร